สวัสดีครับพี่น้องทับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สี่ร้อยเอ็ดเรื่องมารดนใจพระเจ้าพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบสามข้อที่หนึ่งและข้อที่สองยอห์นบทที่สิบสามข้อที่หนึ่งและข้อที่สองโปรดฟังพ ร, พระเจ้าของพระเจ้าก่อนถึงงานเทศกาลปัสกา พระเยซูทรงทราบว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงจากโลกนี้ไปหาพระบิดาพระองค์ทรงรักพวกของพระองค์ซึ่งอยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงรักเขาจนถึงที่สุดขณะเมื่อรับประทานอาหารเย็นอยู่นั้นมารได้ดลใจยูดาสกิสคาริโอตบุตรของซีโมนให้อายัดพระองค์ไว้พี่น้องครับหัวข้อในเช้าวันอาทิตย์นี้ ก็คือมานดนใจคำถามก็คือว่ามานมันสามารถดนใจและลักษณะของการดนใจนั้นเหมือนกับที่พระวิญญาณทรงดนใจมนุษย์ดนใจพวกเราทั้งหลายหรือไม่อย่างไรนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับแท้จริงแล้วคำว่าดนใจนั้นในภาษาอังกฤษ หากใช้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระเจ้าหรือเกี่ยวข้องกับน้ำมทัยของพระองค์เกี่ยวข้องกับพระคำพีใช้คาว่า inspiration นะครับ inspiration แปลว่าการดนลใจ inspiration นั้นคือสับสูงครับก็คือมาจากภาษากรีกนะครับที่แยกออกมาจากคำว่า in หรือคาว่า en นะครับแปลว่าเข้ามาใสเข้าไป นะครับคำว่าสปายมาจากคำว่าสปิริตนะครับก็คือการที่มีพระวิญญาณอยู่ข้างในการดนใจก็คือการที่คนเรานั้นได้รับพระวิญญาณของพระเจ้าการดนใจนั้นใช้กับคำที่เกิดขึ้นจากการเรีกว่า พ, พักคมพีครับพรกคมพีนั้นเกิดจากการดนใจของพระเจ้าเกิดจากการดนใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ลงมาสู่ผู้เขียนพระคัมภีร์เราถึงจะเรียกว่าการโดนใจแต่พระคัมภีร์ตอนนี้ฉบับภาษาไทย1971นะครับใช้คาว่ามาได้โดนใจคำว่าโดนใจนี้มาจากภาษากรีกนะครับคนละคำกับคำว่า inspire ซึ่งเป็นการโดนใจของพ่อมีมบริสุทธิ์ในภาษาเดิมนั้นครับภาษาอังกฤษเขาแปลว่า prompt prompt ครับซึ่งแปลว่าถูกกระตุน้นนะครับหรือถูกยุแย่หรือยอมให้มารซาตานนั้นเข้ามามีบทบาทนะครับมีบทบาทภายใต้การควบคุมดูแลของมารสาตานนะครับภาษาเดิมของภาษาอกิษใช่ว่า put into นะครับ put into นั่นมีความหมายว่า ถูกใส่เข้าไปอยู่ข้างในแล้วอะไรถูกใส่เข้าไปอยู่ในชีวิตหรือในจิต ใ, ใจของยูดาสครับก็คือมารซาตานซึ่งมันใส่ความคิดนะครับกระตุ้นทําให้เกิดความคิดที่จะดำเนินการทรยศต่อองค์พระเยซูคริสพีพ่น้องครับวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์เราจะต้องรับการดนใจนะครับการดนใจ รับรู้เรื่องการดนใจครับนะครับรับรู้เรื่องการดนใจว่าคืออะไรการดนใจนั้นใช้กับพระคมพีเท่านั้นครับนะครับแต่มารดนใจนี้จริงๆแล้วไม่ควรใช้คบว่ามารดนใจแต่มานั้นมันกระตุ้นครับถ้าเราดูลึกไปในเครื่องราวนี้นะครับในภาษากรีกนั้นเขาเรียกว่าใช้เป็น perfect tense ครับก็คือคาคำนี้เกี่ยวข้องกับ สิ่งที่ได้เกิดมาเรียบร้อยแล้วครับนั่นหมายความว่าก่อนหน้านั้นยูดาสนะครับยูดาสเองก็ตัดสินใจไ้ควรคิดพิจารณานะครับเขาผ่านการคิดพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแต่ด้วยความโลภของเขาแผนการชั่วร้ายจิงเกิดขึ้นแต่ด้วยเห็นนี้เองมารซาตานั้นก็เข้าไปถึงเวลาพบยุคแย่ครับยุแยงแต่แคงรั่ว เร่งเรานะครับภาษาอังกฤษใช้คา arouse นะครับก็คือเร่งเราปลุกเรา ย, ยั่วยุยุแย่นะครับเป่าหูกระตุน้นผลักดันนะครับนี่คือสิ่งที่มารได้กระทําต่อชีวิตของยูดาสแต่สิ่งที่เาสังเกตก็คือว่าการตัดสินใจมันมาก่อนหน้านั้นแล้วครับพี่น้องจากภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นภาษาเดิมเนี่ยทำให้เราเห็นชัดเจนครับว่า การตัดสินใจที่จะโทษเยเบียจูนั้นไม่ได้เกิดขึ้นชั่วประเดียวประดาวอย่างที่ไม่มีการวางแผนอย่างที่ไม่ไม่ไม่มีอะไรมาก่อนไม่ใช่ครับแต่แผนนั้นถูกวางล่วงหน้าเราเห็นได้ว่าใ น, านาพระคัมภีรก็มีพูดถึงเรื่องที่ยูดาสนั้นได้ไปคุยกับบูโรหิตนะครับคุยกับพวกฟาริสีในการที่จะทรยศต่อพระเยซูถามว่ายูดาสในใจเขาคิดยังอย่างไรครับและทําให้ในี่สุดยูดาสจะต้อง ไปฆ่าตัวตายโดยการแขวนคอคําตอบก็คือว่าเกิดจากความโลภครับในขณะเดียวกันยูดาสก็เห็นการอัศจรรย์ขององค์พระเยซูคริสต์แต่เมื่อเขาเห็นการอัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์เขาก็คิดเองครับมโนเองครับว่าถึงเวลาพระเยซูก็จะหลุดได้ครั้งหนึ่งและสิ่งที่เขาได้ก็คือเงินสามสิบเหรียญซึ่งเขาสามารถเอาไปทํานู่นทํานี่หรือแม้กระทั่งเอามาถวายในพระวิหาร ที่น้องครับสิ่งเหล่านี้ทําให้เราทั้งหลายได้เห็นนะครับว่ามารซาตานั้นมันอาศัยจุดอ่อนของมนุษย์นั่นคือความโลภครับจุดอ่อนของยูดัสคือความโลภมารซาตานั้นก็เข้าไปฝังเอาเมล็ดพันธ์แห่งความโลภเข้าไปอยู่ทั้งในและเมื่อคนเรานั้นพิจารณาที่จะทําดีหรือไม่ดีในเรื่องของความโลภนะครับเขาก็ต้อง ว่าคุ้มค่าหรือไม่ในการที่เขาจะโลภในการที่เขาจะทรยศในการที่เขาจะทําชั่วทําบาปยูดาสก็คงจะพิจารณาอย่างที่ถ้วนครับว่าคุ้มแน่นอนเพราะเหตุว่ายูดาสคิดไม่ถึงว่าครั้งนี้พระเยซูจะทรงยอมให้ถูกจับและถูกจึงการเขนนะครับยูดาสเขามาโนไปเองครับว่าในที่สุดแล้วพระเยซูคงจะหลุดรอดได้อีกครั้งหนึ่งคงจะทําการอัศจรรย์หรือแม่กระทั่ง เปเยซูก็จะต้องมีเรียกว่าอิทธิฤทธิปาฏิหารในการที่จะต่อสู้กับพวกทหารโรมหรือแม้กระทั่งพวกปรีสียูดาสเองนั้นเห็นอาการอัศจรรย์ม า, มากยูดัสคงอยากจะเห็นการอัศจรรย์ที่เกี่ยวข้องกับการที่เปเยซูจะทําสงครามปลดแอบครับนี่คือสิ่งที่ยูดัสเราคาดว่าเขาจะคิดเรื่องนี้แต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับเหตุการณ์ กลับพันแปรไปอีกรูปหนึ่งจนทำให้ยูดาสนั้นจะต้องเสียใจและในที่สุดเขาก็ไปผูกคอตายแทนที่เขาจะกลับใจใหม่ทีนองครับมารซาตานั้นมันสามารถยุยุ่ยแยได้หากคนคนนั้นมีจุดอ่อนแต่เมื่อถึงเวลาเมื่อเขาที่จะตัดสินใจผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วอนาคต ชีวิตของคนคนนี้ตกอยู่ภายใต้การยุแย่การเร่งเร้าการเคลื่อนของมารซาตานมารซาตานนั้นเมื่อถึงเวลามันก็จะกระตุ้นครับมันก็จะผลักมันก็จะเสริมมันจะยั่วยุมันจะ ย, ยุะยยแย่เพื่อที่จะให้ยูดาสทำให้สำเร็จดำเนินการการทรยศต่อพระเยซูนั่นเองนี่คือความหมายคำว่าโดนใจใ น, นพระคัมภีร์ภาษาไทย นะครับผมขอย้ำอีกครั้งครับว่าไม่ควรแปลว่าดลใจครับควรแปลว่ามารซาตานั้นได้เร่งเร้าซึ่งภาษาอังกฤษตรงกับคำว่า i n i e d incited นะครับ i n i e d ซึ่งแปลว่ากระตุ้นเร่งเร้าผลักดันยุแย่ทีนัครับชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันครับอย่าโลภครับพี่น้องอย่าโลภอย่าตัดสินใจ ในขณะที่เราโมโนเอาเองอย่าคิดว่าเราทำอย่างนี้แล้วมันจะถูกต้องเราต้องตรวจสอบท่าทีแรงจูงใจและความถูกต้องทางด้านจริยธรรมเพื่อที่ว่าเราจะไม่ทําบาปต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของมารคาตานครับและเมื่อเราตัดสินใจที่จะทำอะไรผิดไปขอให้เรารีบกลับใจครับอย่าเหมือนยูดาสยูดาสเสียใจแต่ไม่กลับใจทำใหมเขาพลากจากชีวิตนิรันดร์ ขอพระเจ้าช่วยเราในเช้าวันนี้นะครับที่เราจะไปน้ำสการพระเจ้าเราจะสรภาพว่าพวเราเราจับใจเราจะไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมาร์ตตานเมียนชั่วอาเมน